ให้อดทนต่อการทำร้ายของพวกบูชาเจเวตทั้ทงนี้เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ของท่านให้สมบูรณ์ในทางขอร้องจนกว่าความช่วเหลือของพระองค์จะมาถึงชื่อของบทนี้คือต่อฮาเป็นชื่อของท่านนาบลลลีสุลต์ลลอฮุอะลาห์ยุสัลล์เนื่องเพราะท่านได้รับการต่อต้านและการทำร้ายจากบรรดาพวกบูชาเจเวตดังนั้นบทนี้จึงเริ่มด้วยความเมตตาจากพระองค์ โดยเรียกชื่อของท่านว่าต่อหาด้วยพระนามของลอปุษกรุณาผู้ทรงมเมตตาเสมอต่อหาต่อหาเราไม่ได้ให้อัลกุรอาน ล, ลงมาแก่เจ้าเพื่อเจ้าลาไม่ได้ให้อัลกุรอานลงมาแก่เจ้าเพื่อเจ้าลำบาก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 หากเจ้ากล่าวเสียงดังแท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งเร็นลับและสิ่งซ่อนเร้นอั إ إ ลลอฮลาอิลลหุ إلله و ุ ه ا ل ส س อัลลอฮนั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์สำหรับพระองค์นั้นทรงมีพระนามอัศวยงา أ ا และเรื่องราวของโมสาได้มีมาถึงเจ้าบ้างไหมเมื่อเขาเห็นไฟเขาจึงกล่าวแก่ครอบครัวของเขาว่า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 แท้จริงข้าคือพระผู้พิบาลของเจ้าจถางถอดรองเท้าทั้งสองข้างของเจ้าออกแท้จริงเจ้ากำลังอยู่ณหุเขาอันศักดิ์สิทธิ์มีชื่อว่าตัาททาาและข้าได้เลือกเจ้าเป็นศาสดา ฉะนั้นเจ้าจงตั้งใจฟังสิ่งที่ถูกเป็นโอกาสอินนีอัลลอฮลอิลาะอกิมศลาตลิิกรถ้าจริงข้าคืออัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่ในใดนอกจากข้าดังนั้นเจ้าจงเคารพพักดีต่อข้าและจงปฏิบัติละหมาดเพื่อรำลึกถึงข้า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 จะต้องไม่ทำให้เจ้าเหินห่างจากมันและปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่าของเขาแล้วเจ้าจะพินาศอะไรที่อยู่ในมือขวาของเจ้าเล่ามูซาเอ่ยเขามูซากล่าวว่ามันคือไม้เท้าของฉัน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 มันจะมีสภาพขาวประกายปราศจากอันตรายใดๆมันเป็นอีกสัญญาณนนิรินอาานรอเพื่อเราให้เจ้าเห็นบางส่วนจากสัญญาณต่างๆอันยิ่งใหญ่ของเร า, า, ร า, าจงไปหาฟิ ร, อรูอูนพระเขาได้ละเมิดฝ่าฝืนกาลบฮา โอ้พระผู้ยบิบานของฉันเพราะพระองค์ทรงโปรดเปิดอกให้แก่ฉันด้วยเถิดและทรงโปรดทําให้การงานของฉันง่ายดายแก่ฉันด้วยวนัและทรงแก้ผมจากลิ้นของฉันด้วยเพื่อพวกเขาเข้าใจคําพูดของฉันววะจออลลันมิและโปรดให้คนในครอบครัวของฉัน เป็นผู้ช่วยแก่ฉันฮารุนพี่ชายของฉันได้โปรดให้เขาเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฉันด้วยและเขามีส่วนร่วมใน ก, กิจการของฉันด้วยเพื่อเราจะได้ถวายความสรุซีต่อพระองค์ท่านอย่างมากมาย และเราจะได้รำลึกถึงพระองค์ท่านอย่างมากมายแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเห็นเราพระองค์ตรัสว่าแน่นอนเราได้ตามคาขอของเจ้าแล้วอ้มูซา่าเลอและโดยแน่นอน เราได้ความโปรดปรานแก่เจ้ามาทั้งหมงแล้วโดวยเราได้ดนใจมารดาของเจ้าถึงสิ่งที่ถูกโดนใจโดยเราไ ด, ด้โดนใจมารดาของเจ้าถึงสิ่งที่ถูกโดนใจ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 เพื่อเจ้าจะรับการเลียงดูภายใต้กา ร, รดูแลของข้า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 แล้วเราจะได้ช่วยให้เจ้ารอดพ้นจากความหนักใจแต่เราได้ทดสอบเจ้าด้วยการทดสอบหลายอย่างแล้วเจ้าได้คำนักอยู่กับชาวมัดยันเป็นเวลาหลายปีภายหลยังก็ได้กลับมาตามกาหนดโอ้มูซาเอย๋ยแล้วเราได้เลือกเจ้าเพื่อทำหน้าที่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 เลติลาฟัตตยาฟกูลาอินนารสูลรบบิคฟาอัลซิลมะนาบเนอิสราอิลวลาตูอัลิบฮัมกาดิจนนักบีอายตินมิรรบบิควอสซาลามุอัลามันอัตบัลฮุดาดังนั้นเจ้าต้องสองตรงไปหาเขาแล้วกล่าวว่าแท้จริง เราเป็นศาสนทูตแห่งพระผู้ยีพาะนของท่านดังนั้นท่านจงปล่อยวงวานอิสราเอลม า, ากับเราเถิดและอย่าได้ทรมานพวกเขาเลยแน่นอนเราได้นำสัญญาณจากพระผู้ยีพานของท่านมาอย่างท่านแล้วและความปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ จงมีแด่ผู้ปฏิบัติตามทางนําที่ถูกต้องอแน่นอนได้มีองค์การมายังเราวา่าถ้าจริงการลงโทษจะประสบแข่ผู้ปฏิเสธศาธนะทูดของอัลลอและหันหลังให้กับการสัถ า, า, าเขากล่าวว่า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 และสภาพของคนรุ่นก่อนๆนั้นเป็นเช่นไรมูซากล่าวว่าความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่พระผู้อภิบาลของฉันในบันทึกของประงพระผู้อภิบาลของฉัน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 ฟื้นคืนชีพในวันพรร่งนี้แต่แน่นอนเราได้เขาได้เห็นสัญญาณต่างๆของเราแต่เขาได้ปฏิเสธดื้อๆเขากล่าวว่าเจ้ามาหาเราเพื่อจะเอาเราออกจากแผ่นดินของเรา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 ณสถานที่โล่งแห่งหนึ่งโดยที่เราจะไม่ผิดสัญญาและตั่วเจ้าด้วยกอลมออิดุกุมยวมุซซีนะวะอันยุชรันลาซุฮามูซากล่าวว่ากำหนดวันของพวกเจ้าคือวันรื่นเริโดยให้ประชาชนมาร่วมชุมนุมจนในตอนสายตะวัลลาติาดาอูนกะจะมากัยดะูทุมมาอะตาฟิรอว์ได้กลับออกไป เพื่อไปร่วมมือกันวางแผนการของพวกเขาแล้วได้มาอย่างที่นักหมายมูซาได้กล่าวแก่พวกเขาว่าความหายนะจงประสบแก่พวกเจ้าพวกเจ้าอย่าได้เสกสรนปั้นแต่งความมุษาแก่ล้อเลย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 พวกเขากล่าวว่าสองคนนี้ไม่ได้เป็นอื่นใดนอกจากเป็นนักมายาผลอย่างแน่อนอนต้องการที่จะเอาพวกเจ้าออกจากแางดินของพวกเจ้าเวทเล็กตของเขาทั้งสอง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 พวกเขากล่าวว่าโอ้มูซาเอ๋ยท่านจะเป็นผู้โยนหรือว่าพวกเราจะเป็นผู้โยนก่อนโมซากล่าวว่าแต่ว่าพวกท่านจงโยนก่อนเถอ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 ไม่ว่าเขาจะมาจากทางไหนทั่วตาแต่นันพวกมายาคนได้ ก, ก้มลงกราบโดยกล่าวว่าเราขอศรัทธาต่อพระผู้พิบาลของฮารูและมูซาแลอาเมนทุกท่านที่ได้รับคำนี้ إنه لك ب ي ر ك م الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولصلي ب َ ن ك م في جذع النخل ولتعلمون أن أينا شد ع ذ ا ب ا وأبقاه خوفاً <تصفيق> ك ع و ا م ا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 และผู้ใดามาหาพรงโดยเป็นผู้ศรัทธาเขาได้กระทำความดีต่างๆเอาไว้ชวนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขานั้นจะมีตำแหน่งอันสูงส่ง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 และเราได้ประทานอาหารหวานและนกคุ้มให้แก่พวกเจ้ า, า ل ل พูกเจ้าจงกินจากสิ่งที่ดีทั้งหลายที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจะได้ฝ่าฝืน มิฉะนั้นความเิ้วของข้าจะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าและผู้ใดที่ความเิ้วของข้าเกิดขึ้นแก่เขาแน่นอนเขาจะประสบกับความพินาศและแท้จริงข้าเป็นผู้อภัยอย่างเหลือล้นแก่ผู้ที่ขออภัยโทษและศรัทธาและประกอบความดีแล้วยึดมั่นอยู่ในทางนําที่ถูกต้อง วและอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารีบเร่งออกไปจากกลุ่มชนของเจ้าโอโมสาเลยหุมถิดเขามูสากล่าวว่าพวกเขาเหล่านั้นตามหลังฉันมาอยู่แล้วแต่ฉันได้รีบเร่งออกมาอย่างโพร่งท่านนั้น โอ้พระผู้อบานของฉันกพเพื่อพระองค์ทรงพอพระทัยเท่านั้นล ت ت พละองค์ตรัสว่าแท้จริงเราได้ทดสอบกลุ่มชนของเจ้าหลังจากที่เจ้าได้จากมาและซามิรีก็ได้ทำให้พวกเขาหลงทางพระเจา้ามุสาวีลาขวมิฮรบบาา “ข้าเลา قوم ลมีาดคุมรัคมุม ว, ว่าดน حسن นัลอาท้าข้าเลย่าให้คุมละเหตุแอลมีาดุมเออหละคุม غضب ุมรับคุมแอลมีาดุคุมแอลมีาดุคุมแอลีาดุคุมแอลมีาดุคุมอลมีาดุคุมแอลมีาดุคุมแอลีาดุคุมแลามอีุคมแอลีอลมาดอลมีุคุอลมีาอลมอลมีาดุคา ไม่ได้ส่งสัญญากับพวกเจ้าด้วยสัญญาที่ดีดหรือคำมั่นสัญญานั้นนานเกินไปสำหรับพวกเจ้าขรานั้นหรือหรือว่าพวกเจ้าประสงค์ที่จะให้ความเกี่ยวโกรธจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเกิดขึ้นแก่พวกเจ้า قالوانا أخلصنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ا ل ق س ا م ر ي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 แล้วสมเมริกก็ได้ทำลูกกัวออกมาเป็นรูปร่างมีเสียงร้องพวกเขาจริงกล่าวว่านี่คือพระเจ้าของพวกเจ้าและพระเจ้าของมูสาแต่เขาลืมเสียง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 บบด้วยแน่นอนฮารุนได้กล่าวแก่พวกเขาก่อนแล้วว่าโอ้กรุงชนของฉันเอ๋ยถ้าจริงพวกเจ้าถูกทดสอบให้หลงเสียแล้วและแถ้าจริงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นคือพระผู้ทรงกรุณาดังนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติตามฉัน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 มูสากล่าวว่าเจ้าต้องการอะไรโอซาริาิมเิเอัท وكذلك นเขากล่าวว่าฉันเห็นในสิ่งที่พวกเขามองไม่เห็น คือเห็นยิบรออีนที่แปลงร่างลงมาดังนั้นฉันจึงกำเอาดินฝุ่นกอบหนึ่งจากกอยเท้าของรอซูลหมายถึงยิบรออีนแล้วฉันได้โยนมันลงไปที่ลูกบัวที่ทำขึ้นและเช่นนั้นแหละจิตใจของฉันก็ได้เห็นดีเห็นงามไปด้วย Allahu Akbar i น n a Laka ิลฮะยา a t a n t a k o o l a n ามิ s า s وإنَّ لكَ موعداً لن تُخلَفَهُ وَظَلَّ إِلَى إِلَهِكَ الذي ظَلَتْ عليهِ عاكِفًا ل َ ن ُ ح ر َِّ ن َّ ه ُ ثُمَّ ل َ ن َ ن س ِ ك ن َّ ه ُ في من من ا ل ْ ي َ م ِ ن َ ا ل س َّ ر َ ا ء มูซ่ากล่าวว่าท่านจงออกไปถ้าจริงสำหรับท่านในชีวิตนี้จะได้รับการลงโทษ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 แท้จริงพระผัวผิบาลของเจ้านั้นเถอะหรอซึ่งไม่มีพระเจ้าอืน่นใดนอกจากพระองค์พระองค์ทรงแผ่ความรอบรู้ไปอย่างทุกสิ่ง เราได้บอกเล่าข่าวคราวที่เกิดขึ้นแต่่อนการแก่เจ้าและแน่นอนเราได้ข้อเตือนสติจากเราแก่เจ้ามััดดันนออารผู้ใดหันหลังให้อัลกุรอานแท้จริงเขาจะแบกโทษหนักในวันพะโรโลกออลใดีนั่นทีวว่าสาระล่มยุคกายามทิ่ิมล โดยพวกเขาจะคงอยู่ในนั้นตลอดไปและช่างเป็นการแบกที่เลวร้ายสำหรับพวกเขาในวันปราโลกเสียหนี้กันวันที่สังจะถูกเป่าและในวันนั้นเราจะต้อนนักโทษทั้งหลายที่มีตาสีฟ้าไว้ด้วยกันยะบอออ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 ว่าพระพวกพิบาลของฉันจะทรงทําให้มันแตลกออกเป็นภุยพวกพยดรหาการสาแจะทรงปล่อยให้มันเป็นที่ราบโล่มเปลี่ยนลาตราฮีหาอิวจังลาอำตาเจ้าจะไม่เห็นที่นั้นที่ลุ่มและที่ดอยเยวามาอิดียัตบิ عون ดาหยาลาอิวจละ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 หวังว่าพวกเขาจะมีความยำเกรงหรือเกิดข้อเตือนใจแก่พวกเขาดังนั้นอัลลอฮ์คือพระผู้ทรงสูงทรงยิ่งผู้ทรงอำนาจอันแท้จริงและเจ้าอย่ารีบเร่งในการอ่านอัลกุรอาน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 และเราไม่พบความมั่นใจในตัวเขาเมื่อเรากล่าวแก่บรรดามา来กาว่าจงคารวะแก่อาดัมพวกเขาได้คารวะนอกจากอิบลิสเพราะมันได้ดื้อ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 ดดต่อมาในตอนมันรายได้กระสิบกระซาบเขามันกล่าวบอกว่าโอ้อดัมเ อ, อ๋ยฉันจะชี้แนะแก่เจ้าถึงต้นไม้ที่อยู่เป็นนิดตลอดกาลและการมีอำนาจที่ไม่สูญสลายเอาไหม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 ปกปิดบนตัวของเขาทั้งสองและอาดามได้ฝ่าฝืนพระผู้อภิบาลของเขาเขาจึงหลงผิดมมจจาภายหลังพระผู้อภิบาลของเขาทรงคัดเลือกเขาและทรงอภัยโทษให้แก่เขา และส่งให้ทางน้ำที่ถูกต้องแก่เขาขาเลอบบีามินฮาจมิอัลเบฮดคุมลิบฮดนาดุฟ้อิมมาเยสิอัลคุมมินนิฮุดฟมันตุดายฟลายดิลวลาชาพระองค์ตรัสว่าเจ้าทั้งสองจงออกไปจากสวนสวรรค์ทั้งหมดโดยลูกหลานบางคนในหมู่พวกเจ้า เป็นสตรูกับอีก บ, บางคนบางที่เมื่อมีคําแนะนําจากข้ามาอย่างพวกเจ้าดังนั้นผู้ใดที่ปฏิบัติตามคําแนะนําของข้าเขาก็จะไม่หลงผิดและจะไม่รับความลําบากเพาันอาเระดะอัิกรีอินละฮูมาอิชตันดันกาวะนะชุรุยอมะลกิยามะอะอมา และผู้ใดผินหลังให้โดยไม่รำลึกถึงข่าแท้จริงสำหรับเขาคือการมีชีวิตยอยู่อย่างขับแข็มและเราจะต้อนเขาไปในวันประโลกในสภาพที่ตาบตอกทกล่าวว่าข้าแต่พระผู้อภิบาลของฉันทำไมพระองค์ท่าน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 ون ون แต่นั่นเจ้าจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวร้ายและจงแท้สองสะุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้อิบาลของเจ้า ก่อนดวอาทิตย์ขึ้นและก่อนดวงอาทิตย์แัะลงไปและส่วนหนึ่งจากเวลากลันคืนก็จงแซ ส, สองสะดูดีและปลายช่วงของกลังวันเพื่อเจ้าจะได้พอใช้ว่ลาทะมุดดนไอเไนยคะอิลามามัทท่านาบิฮีอาจวาจัมมินหุมซ่าหรัสลหยาทิศดุนยาลินศินหุมฟี และเจ้าอย่ากว่าสายตาของเจ้าไปยังสิ่งที่เราได้ความเพลิดเพลินแก่บุคคลประเภทต่างๆของพวกปฏิเสธซึ่งความสุขความสำราในโลกนี้เพื่อที่เราจะได้ทดสอบเขาในการนี้และการตอบแทนของพระผู้อวยบานของเจ้านั้นดียิ่งกว่าและจรรังยิ่งกว่า أ أ และเจ้าจงใช้ครอบครัวของเจ้าให้ทำละหมาดและจงอดทนในการปฏิบัติละหมาดเราไม่ได้ขอเครื่องยางชีพจากเจ้าเราตั้งหากที่เป็นผู้ให้เครื่องยางชีพแก่เจ้าและบ้านปลายที่ดีนั้น เป็นของแล้วบวกกล่าวว่าทำไมเขาจึงไม่นำสัญญาณหนึ่งจากพระผู้บริบาลของเขามาให้เราหรือว่าหลักฐานอันทัดแจ้งที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ต่างๆสมัยก่อนนั้นม่ได้มายัางพวกเขาดอกหรือ ولو ول ول أن أهلتناه بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذبل ونخزأ ถ้าเราทำลายพวกเขาด้วยการลงโทษก่อนการให้อัลกุรอานลงมาแน่นอนพวกเขาก็กล่าวว่า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 ว่าทุกคนเป็นผู้คลอยดังนั้นพวกเจ้าจงคอยเถิดและพวกเจ้าจะได้รู้ว่าใครคือพวกที่อยู่ในแนวทางอัที่ยึงตรงและใครคือผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง